104คันตับภวานว่าด้วยสถานที่ควรไปในวันออโบสถข้อ182ภิกษุพิทั้งหลายในวันอโบสดนั้นพึงออกจากอาวาสที่มีพิกษุไปสู่อาวาสที่มีพิกษุซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกพิกษุผู้เป็นสมานสังวาดซึ่งตนเองรู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละพิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถนั้นพึงออกจากอาวาตที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อวาตซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาตหรือสถานที่ไม่ใช่อวาตซึ่งมีภิกษุซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นสมานสังวาสซึ่งตนเองรู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนี้แหละภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถนั้นพึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อวาตซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาตที่มีภิกษุ